เจริญพรมายังแม่ชีและก็อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมกั น, นไหว้พระสดมนต์สาธยายม น, นก็เป็นบรรยากาศนในช่วงเข้าพรรษาในตัวผมนิตมาเองก็มีความรู้สึกว่าเข้าพรรษาเนี่ยมันเป็นบรรยากาศ นะเป็นช่วงเวลาของการที่เราจะได้มาพัฒนาชีวิตนะในระยะสามเดือนนะโดยเฉพาะเราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะนะจากครูบาอาจารยนะ์จากหลวงพ่อและก็กัละยาณมิตรนะบรรยากาศนี้นะเป็นบรรยากาศของการเรียนรูนะ้เราคงเคยได้เรียนนะในโรงเรียน ในสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยนะซึ่งส่วนใหญ่เราก็เรียนรู้นะเรื่องของ <c oughs> ภาษาบ้างเรื่องของคณิตศาสตร์บ้างนะแล้วก็เรียนวิชาชีพนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้ใช้ประโยชน์นะในการที่จะใช้ชีวิตนะที่จะอยู่ในสังคมนะก็พอที่เราจะมีความสุขได้ ในระดับหนึ่งแต่เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะเรามาได้เรียนรู้นะอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษยนะ์ก็คือการเรียนรู้เรื่องชีวิตนะชีวิตของตัวเราซึ่งถ้าเราศึกษาพุทธประวัตินะก็จะทราบดีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้สำเร็จ นะวิชาการถึง18สาขานะพูดง่ายๆก็คือเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญถึง18เรื่องเรื่องที่เรามาเรียนรู้เนี่ยเป็นวิชาที่19นะซึ่งท่านก็ค้นพบด้วยตัวเองนะไม่ได้ไปเรียนรู้จากใครนะเป็นวิชาที่จะแก้ทุกข์ในใจนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องถือว่าเป็นวิชาสุดยอด ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ค้นพบจนได้ถูกขนานนามว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็คือเป็นเจ้าชายเสด็จธรรมเท่านั้นเองเพราะนั้นการที่เราได้มาเรียนรู้วิชาสุดยอดของมนุษย์เรียกว่าเป็นวิชาสุดยอดของมนุษย์ในยุคตั้งแต่สองพกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสพิเศษ นะหรืออย่างเมื่อวานที่ท่านจาันไปสารบอกว่าเป็นนาทีทองนะของชีวิตนะที่เราจะได้มีโอกาสานะที่จะมาได้เรียนรู้อย่างนี้นะยิ่งที่เราได้มาที่นี่นะที่วัดป่าสุกโตนะก็เป็นบรรยากาศของการที่เราจะได้มาเรียนรู้นะเรื่องของชีวิตลงไปตรงๆนะเราไม่มีการ <c oughs> เรียนรู้ทฤษฎีอะไรมากนะมี คำบอกคำสอนคำพูดนะที่จะชักชวนให้กำลังใจนะแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงไปนะเราไม่ได้ฟังเพียงแค่ให้ เ, เข้าใจหรือว่าให้เกิดความกระตือนะรือร้นหรือว่าให้เกิดความศรัทธานะที่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นแต่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ เอาไปทดลองเอาไปปฏิบัติจริงๆนะถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าการฝึกอบรมนะก็คือฝึกแล้วก็ทําลงไปจริงๆนะไม่ได้เรียนแต่ทฤษฎีหรือเรียนแต่ปริยัตอย่างเดียวนะการเรียนแต่ทฤษฎีหรือปริยัตินั้นมันก็ได้แค่เราความทรงจํานำะได้ความรูนะ้ที่เป็นความจำํำนะแต่ว่ามันยังแก้ปัญหาไม่ได้ ตอไม่ได้ก็ตามที่เราความรู้นั้นหรือสิ่งที่ได้ยินให้ฟังนั้นไปปฏิบัติหรือไปลงมือกระทนานะมันจึงจะเกิดผลขึ้นมาซึ่งผลนั้นมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะก็ถือว่าเป็นประสบาการณ์นะโดยเฉพาะยังยิ่งการเรียนรู้เรื่องชีวิตเนี่ยนะเราก็เรียนรู้ลงไปตรงๆนะที่กายที่ใจของเราเครื่องมือสาคัญนะที่เราจะใช้ก็คือ สติสัมปชัญญะนะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าความรู้สึกตัวนั่นเองนะซึ่งหลายวันนะที่พวกเราได้ยินได้ฟังนะก็จะเน้นมาตรงนี้นะซึ่เป็นส่วนใหญ่นะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไรนะที่จะให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขนะของสังคมนะนั่นก็เป็นส่วนของการที่เราจะใช้ประโยชน์ จากบรรยากาศเช่นนี้การเรียนรู้เรื่องชีวิตนั้น <c oughs> ที่กล่าวว่าเราเอากายเอาใจเนี่ยเป็นตำราอย่างที่หลวงพ่อเขียนนั้นได้กล่าวไว้ <c oughs> แล้วก็เอาสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นนักศึกษานะเรียนรู้ลงไปตรงๆนะซึ่งเราก็มีรูปแบบที่ชัดเจนนะ โดยเพราะการเจริญสติตามแนวสติปฐาน4นีะ่แนวเคลื่อนไหวนะที่หลวงพ่อเทียนท่านได้นำเสนอไว้นะแล้วเราก็ได้ทำกันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะที่วัดป่าสุกโตโนะดยเฉพาะการเคลื่อนไหว14จังหวะก็ดีการเดินจงกรมก็ดีนีเน่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนเป็นเอกลักษณนะ์ของที่วัดป่าสุกโต เท่าที่ได้ยินได้ฟังพระใหม่บางรูปที่ท่านมาบวชเนี่ยบางรูปท่านก็บอกท่านไม่รู้จักมเลยท่านไม่เข้าใจเลยทำไมต้องมาทำอย่างนี้ส่วนใหญ่เราก็ก็จะเข้าใจว่าการทำกรรมฐานเนี่ยเราก็นั่งนิ่งๆหลับตาทำจิตให้สงบไม่ต้องคิดอะไรซึ่งตรงนั้นก็เป็น <c oughs> ความเข้าใจที่ที่มีอยู่ก่อนก่อนที่จะมาวัดป่าสุกโต นะแต่เมื่อมาแล้วก็ได้มาเรียนรู้มาทำความเข้าใจการเรียนรู้เรื่องชีวิตนั้น <c oughs> เราจะไปใช้ความคิดไม่ไดนะ้เราใช้ความรู้สึกตัวลงไปเพราะความคิดเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความเนิ่นช้านะแล้วก็รุงรังนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จริงด้วยเพราะว่าความคิดนั้นนะ เป็นเรื่องที่เราคิดนึกเอาว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะสมัยที่ผมฤตาหมาเองได้ามาเรียนรู้เรื่องนี้ใหม่ๆนะเราคุ้นเคยกับการเรียนโดยใช้ความคิดนะคิดจินตนาการไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะมาฝึกกรรมาฐานนะจะต้องทําให้จิตสงบนะไม่ต้องคิดอะไรนะมีความสุขนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ ได้เรียนรู้ว่ามันก็เป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งนะที่เราจะสัมผัสได้แต่มันไม่ใช่เป็นเป้าหมายหรือเป็นสุดท้ายนะของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบางทีเมื่อเราไป <c oughs> สัมผัสกับความรู้สึกตรงนี้นะมันก็ไปจมไปแช่นะอยู่ในความสงบนะอยู่ในความนิ่งนะปัญญามันก็ไม่เกิดนะซึ่งตรงนี้เนี่ย ม, มันมีเครื่องสัญญาณที่จะบอกว่าสิ่งที่เราทำมันยังไม่ถึงที่สุดนะก็เมื่อเราไปใช้ชีวิตจริงๆเราคิดว่าเราสงบแล้ว <c oughs> เรามีความสุขแล้วเราเกาใจธรรมะแล้วแต่พอเราไปเจอกับเหตุการณ์นะคนมาพูดไม่ถูกหูบ้างนะไปเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจบ้างนะไม่ถูกตรงนี้มันก็มีอารมณ์ที่หวั่นไหว นะมีอารมณ์ที่ไม่คงที่ไม่ปกติขึ้นมาเราถึงรู้ว่าโอ้ที่เราไปเข้าใจเราไป <c oughs> สรุปเอาเองนะั่นนะมันยังไม่ใช่นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่กลับให้เรากลับมาดูตัวเราเองอีกว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้เราได้ผ่านไปนั้นนะ่นะมันมันยังไม่ถึงที่สุดนะเราจะต้องเดินทางต่อไป การเดินทางเนี่ยเราไม่ได้เดินด้วยเท้านะแต่เราเดินไปด้วยความรู้สึกตัวใช้สติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวนำไปนะโดยไม่ต้องใช้ความคิดความคิดทุกๆความคิดที่เกิดขึ้น <c oughs> ให้ทิ้งให้หมดเลยนะคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาความคิดนี่ไม่ห้ามนะมันคิดได้แต่เราไม่ตามมันมันจะคิดก็คิดไปแต่เราไม่ตามมัน เรากลับมารู้สึกตัวการกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยนะมันจะเป็นเครื่องมือนะที่จะนำทางให้เราผ่านอารมณ์ต่างๆแรกๆเนี่ยสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะเจออารมณ์ที่มันไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นักนะเช่นนิวรต่างๆนะความง่วงความเบือ่อความฟุ้งซ่านนะความรู้สึกไม่สบายตัวนะ ตรงนี้มันจะมีอารมณ์ที่จะเข้าม า, าให้เราเรียนรู้นะแต่คนที่ไม่ <c oughs> ไม่แยบไายพอนะหรือยังไม่มีปัญญาพอเนี่ยก็จะมองว่าไอ้สิ่งเราเนี่ยเป็นอุปสรรคนะเป็นเครื่องขวางกั้นนะเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่อยากจะทำนะมันก็เป็นตัวทอนกาลังนะทำให้เราท้อถอยได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจออารมณ์เหล่านี้สิ่งเหล่านี้เนี่ย ขอให้เราอย่าได้ทอ้ทอทอ่อถอยนะพยายามที่จะแก้อารมณ์เหล่านี้นะอย่างบางเราง่วงเนี่ยนะเราเดินชงกลมแล้วอาจจะเดินให้เร็วขึ้นเดินถอยหลังนะหรือว่าสร้างจังหวะอยู่ทาช้าๆทำให้มันเร็วขึ้นนะอันนี้คือปลุกตัวเองขึ้นมาความฟุ้งซ่านเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ต้องไปหงุดหงิดกับมันนะมีบางคนก็ไม่อยากให้มันเกิด นะไม่อยากให้มันมีอยากให้มันนิ่งๆนะจริงๆความฟุ้งซ่านหรือความคิดเนี่ยนะมันก็เป็นตัวที่จะทำให้เราได้รู้ตื่นขึ้นมาได้นะถ้าเรารู้เท่าทันมันนะด้วยความรู้สึกตัวใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวที่จะผ่านอารมณ์เหล่านี้ใช้ความอดทนนะใช้ความเพียร น, นะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะ่ะถ้าสติเรายังไม่ชัดก็ต้องใช้ขันติหน่อยนะขันติ ปรมังตะโพติตขานะขันตนะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะความอดทนนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้นะในการที่จะเราเรียนที่เราจะเรียนรู้ในเบื้องแรกนั้นให้เรียนรู้ที่กายเสียก่อนโนะดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของกายให้รู้เท่าทันกายเคลื่อนไหวนะจะเป็นการยกมือการเดินจงกรมการสร้างจังหวะ ก, ก็ดี หรือในเอรียบท่างๆเนี่ยของกายเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายๆหยาบๆนะที่จะช่วยในการปลุกสติหรือปลุกความรู้สึกตัวได้ดีนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับลมหายใจเนี่ยสหรับคนเริ่มต้นใหม่นะการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยจะชัดกว่าลมหายใจนะลมหายใจเนี่ยมันเบาและมันเป็นเองนะเพราะนั้นแต่คนที่ทำม า, มากแล้ว หรือว่ามีความชํานาญแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช่ลมหายใจเป็นเครื่องมือได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาดูว่าอะไรที่มันชัดนะเอาตัวที่มันชัดนะั่นแหละทีนี้เมื่อเราทําบ่อยๆนะเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยมันจะไปเห็นอาการต่างๆของกายนะความปวดความเมื่อยนะความร้อนความหนาวความเอ่อคันนะ บางทีแมงมันมาบางทีเราแพ้นู่นนี่แต่ตรงนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่เราจะได้สัมผัสกับมันนะจากกายที่ห ย, ยาบหยาบนะมันก็จะเข้าไปกายที่ละเอียดนะการลมหายใจเนะี่ยก็ถือว่าเป็นกายที่ละเอียดเหมือนกันการกืนน้ำลายนะการกระพริบตานะหรือแม้แต่การ <c oughs> ได้ยินเสียงนะของแมลงต่างๆของนก นะซึ่งแต่ก่อนบางทีเราไม่ค่อยได้สนใจมันเราไปสนใจกับเรื่องต่างๆที่เป็นอนาคตบ้างอดีตบ้างเข้าไปอยู่ในความคิดนะเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อเรา <c oughs> มารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆทำบ่อยๆทาเรื่อยๆนะตรงนี้มันก็จะทำให้สติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันได้ตื่นขึ้นและมันก็จะได้สัมผัสกับกายที่ละเอียดเข้าไป ลหมหายใจคือน้ำลายกระพริบตาอาการปวดเมื่อยอาการไข้แลนะบางทีก็บางคนก็อาจจะโดยเฉพาะคนนี้มาใหม่ๆนะฮะบางทีไม่คุ้นกับอากาศนะคลันเนื้อคลันตัวนะปวดหัวนะอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพื่อให้เรามาเรียนรู้นะที่จะเรียนรู้มันแล้วมันก็จะมีผลปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นนะก็คือ อาจจะพอใจไม่พอใจขึ้นมาหรือว่ามีความสุขมีความทุกข์ขึ้นมานะนั้นก็เป็นส่วนที่เราเรียกว่าเวทนานั่นเองซึ่งตรงนี้แหละมันจะนําไปสู่การเรียนรู้สิ่งที่ละเอียดที่เป็นนมามธรรมความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจนะแต่ก่อนเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะเราก็ไปจมไปแช่เราไปชอบนะกับความสุข แล้วเราก็ไปชังกับความทุกข์นะเราก็ไปยึดไปถือไปติดไปจมอยูนะ่ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามีชีวิตจิตใจไม่ก็เป็นปกตินะเดี๋ยวฟูฟูแ ฟ, ฟบแฟบเนื่อเมื่อมีสุขนะก็ฟูนะเมื่อมีทุกข์ก็แฟบนะเรียกว่าใจมันฟูมันแฟบอยู่บ่อยๆนะใจมันไม่ปกติทีนี้ถ้าเราสังเกตดูบ่อยๆเนี่ยนะมันจะมีตัวหนึ่งที่มันไม่ฟูไม่แฟบ นะมันปกติเฉยๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยกเ็เป็นสภาพปกตินะของใจนะที่มันมีอยู่แต่ว่า <c oughs> สภาพแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็แนบเนียนนะแลเราสัมผัสยากนะต้องอาศัยความรู้สึกตัวที่ได้พัฒนาได้ทำอย่างต่อเนื่องนะซึ่งตรงนี้จึงจะสัมผัสได้ เมื่อเราเห็นกายเห็นเวทนาบ่อยบ่อยบ่อยๆ่อมันก็จะเห็นความคิดทิ่งความคิดเนี่ยมันก็เริ่มเห็นแล้วลนะเพียงแต่ว่ามันมันมามามันมาม า, มาเร็วไปเร็วบางทีก็มาเร็วไปช้าอะไรอย่างเนี้ยนะก็คือพูดง่ายๆก็คือเรายัางไปติดอยู่ในความคิดคิดเรื่องหนึ่งก็ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งกว่าจะรู้ทันก็1ิบเรื่องไปแล้วร้อยเรื่องไปแล้ว แต่ก่อนเราไม่เคยที่จะรู้ทันมันเลยนะจมไปเพลินไปกับความคิดนะบางทีเดินจงกรมไปนะคิดไปเป็นร้อยเรื่องแล้วไม่รู้ตัวเลยก็มีนั่งสร้างจังหวะคิดไปทั้งสิบเรื่องยี่สิบเรื่องแนละ้วบางทีไม่รู้ทันก็มีมารู้สึกตัวไองที่าทีมึนหัวแล้วนะหรือบางทีลืมตัวไปแล้วนะไม่รู้ทันนะอันนี้ก็เป็นส่วนของความคิดที่มันเร็วมาก เขาบอกแสงไวที่สุดในโลกแล้วเนี่ยความคิดไวกว่าแสงอีกแต่มีสิ่งที่ไวกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวเพราะนั้นสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นของแก้กันนะที่เราจะรู้เท่าทันนะในความคิดซึ่งเป็นความคิดนี้เป็นเป็นเงานะของจิตนะที่เราจะได้เรียนรู้ทีนนี้เมื่อเรารู้กายรู้เวทนารู้จิตนะ ในทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์เป็นธรรมชาตินะที่มันแสดงออกมานะทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นธรรมเพราะนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4ี่นะก็กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ลงไปตรงๆที่ตัวเราเองโดยไม่ต้องอ้างอิงตำรับตำราใดๆโดยไม่ต้องไปจดจำนะในสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมา เราทำลงไปตรงๆบางคนเนี่ยพยายามจดจําสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดสิ่งที่กัลยาณมพิษพูดถึงสภาวธรรมต่างๆแล้วก็พยายามพยายามจะทําให้มันเป็นอย่างนั้นคือไปคิดเอาไปคิดย้ายมันเป็นอย่างนั้นซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะสัมผัสความจริงได้ไม่สามารถที่เห็นความจริงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยในระหว่างปฏิบัติทิ้งเลย ทิ้งให้หมดเลยรู้สึกตัวสดๆสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมานั่นแหละคือธรรมะที่แท้จริงคือความจริงนที่เราจะสัมผัสได้เพียงแต่ว่าเมื่อเราไปสัมผัสกับสภาวะที่ครูบาอาจารย์นั้นพูดเนี่ยมันจะเกิดคำมันจะเกิดคาอุทานขึ้นมาว่าอ๋อมันอย่างนี้นี่เองเนาะมันจะไม่เกิดคำถามว่าเอ๊ะอะทาไมอะไรอย่างไงซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องของการที่ สงสัยลังเลหรือว่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> การเรียนรู้เรื่องชีวิตเนี่ยให้เรียนรู้ลงไปตรงๆด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่คือความรู้สึกตัวนั่นเองครั้งหนึ่งอาจรมาเคยถามหลวงพ่อคำเขียนว่าเออหลวงพ่อการเจริญสติเนี่ยมันแค่รู้สึกตัวแค่เนี้เหรอมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเหรอหลวงพ่อบอกใช่นะให้ทําตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆ แต่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะพัฒนานะ้าที่มันจะมีความฉับไวแล้วมันจะไปเรียนรู้นะอารมณ์ที่มันละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะ่ะที่มันที่เราไม่รู้เท่าทันโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็ น, อ า, ปนอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลนะอารมณ์ที่ดีๆที่คิดดีๆเนี่ยนะบางทีเราเราจเจริญสติไปเราทำไปเรารู้สึกมีความสุขนะตัวเบาสบายนะเราก็อยากจะอยู่ตรงเนี้ย หรือเราก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงเพื่อนคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงคนอื่นๆที่อยากจะให้มาได้สัมผัสอย่างนี้บ้างนะตรงนั้นเนี่ยเราเผยไปแล้วเราหลงไปแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวที่ที่ได้ฝึกนาอยาต่อเนื่องแล้วก็แยกคายซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องอาศัยความเพีย ความพยายามที่ทำอย่างต่อเนื่องแต่แน่ละนะบางทีเราก็เพียรหนักไปนะอย่างเมื่อวานที่ท่านพระจันร์ไปสารได้พูดแลนะตรงนี้เราก็ต้องดูตัวเราเองว่าออมันหนักเกินไปหรือมันเบาเกินไปนะเราไม่ต้องไปกลัวนะว่ามันจะผิดจะถูกลุยไปเลยตัวข้าผมทดมัทย์สบายบอกลุยไปก่อนมันจะหนักมันจะเบามันจะเพียรหนักเพียร น, น้อยไม่เป็นไรนะมันจะเพ่งไปบ้างก็ ไม่เป็นไรนะไม่ใหม่มันยังไม่รู้ว่าความพอดีเป็นยังไงความเป็นกลางเป็นยังไงครูบาอาจารย์พูดว่าให้หวางใจเป็นกลางๆนะให้ทาพอดีๆนะเราฟังเนี่ยเราฟังได้แต่ว่าทำยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเองนะเหมือนกับเรา <c oughs> ขี่จักรยานนะไม่ใหม่มันเค๊ะเก้เกเกเกนะกลางๆนมันเพ่งเพงจ้องจ้องมันเก่งเกงนะ แต่พอเราทําไปทําไปมันก็จะค่อยๆผ่อนค่อยๆห ย, ย, ย, ย่อนนะค่อยๆปรับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีใครบอกได้นะว่าความพอดีอย่างไรหมายถึงว่าความพอดีเนี่ยตรงไหนตัวเราต้องเรียนรู้เองแต่มันก็มีอาการที่มันจะแสดงออกมาได้ก็คือว่าเราทําได้เรื่อยๆนะทาอย่างผ่อนคลายนะแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้สึกตัวนะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น แตนะทั้งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเองแล้วก็เกิดขึ้นภายนอกตัวเราเองแตนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราได้สัมผัสนะกับธรรมชาติเดิมแท้นะของจิตใจก็คือความเป็นปกตินั่นเองความเป็นปกติเนี่ยมันไม่ไม่พอใจหรือมันพอใจหรือไม่พอใจไม่ใช่มันอยู่เหนือจากนั้นมันเป็นปกติเฉยๆของมันอย่างที่เราสาธยายมนต์ตะกี้นี้นะ มีความมีความรู้สึกตัวหนาถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ก็คือการที่เรากลับมารู้สึกตัวนัว่นแหละอันนี้ก็คือการถอนหนาถอนความพอใจและความไม่พอใจซึ่งก็เป็นสภาพเดิมแท้ของจิตที่มันมีอยู่แล้วและวถ้าเราสัมผัสตรงนี้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะสัมผัสความสุขนะที่เป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้ว นะเป็นความสุขที่เป็นปกติสุขนะหรือเรียกว่าสาันติสุขนะไม่ใช่ความสุขที่ใจมันฟนะูเพราะเราได้เสวยหรือได้เสพนะทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายนะที่เราเรียกว่ากามนั่นเองเพราะนั้นที่เขาบอกว่าสังัดแล้วจากกามทั้งหลายนีย่ก็คือการที่เรามาสัมผัสกับความเป็นปกติของใจนี่เอง นะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการสั่งจากกามนะหลุดพ้นจากกามได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้าเราสัมผัส บ, บ่อยๆตรงเนี้มันก็จะทําให้เกิดการที่เราสามารถที่จะสัมผัสกับความเป็นปกติได้บ่อยๆนะได้เรื่อยๆนะแล้วก็มันจะมันก็เลยจะเกิดนิสัยนะนิสัยใหม่ที่จะกลับมาเป็นปกติได้บ่อยๆแต่ก่อนเรา จะไปคุ้นกับการที่เราไปเสพไปเสพกับความสุขที่ได้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่ต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะมาสัมผัสนะกับความเป็นปกติของใจซึ่งเมื่อเราสัมผัสต ร, ต ร, ตรงนี้นะอายตนะทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ยังทำหน้าที่ของมันตามปกติยังเห็นยังได้ยินยังได้กลิ่นนะยังลิ้มรสอาหารยังอร่อยเหมือนเดิม เสียงเพลงยังเพราะเหมือนเดิมแต่ใจเรามันเป็นปกติเฉยๆนะมันไม่ได้จมนะไปกับรสชาตินะมันไม่ได้ไปจมกับเสียงเพลงได้ยินอยู่รู้อยู่แต่ใจเป็นปกตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้มีชีวิตที่เป็นปกติสุขนะได้สัมผัสกับสันติสุขนะที่ที่มีอยู่แล้วนะในจิตใจของเราเพราะนั้นตรงนี้นะ่ นะ่าจึงเป็นการเรียนรู้ชีวิตนะ่าที่ตรงไปตรงมาและในช่วงเข้าบรรษาสเดือนนี้นะ่าน่าจะเป็นช่วงของการที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้อย่างเต็มที่นะ่โอกาสหรือบรรยากาศอย่างนี้นะ่าหาได้ยากนะ่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อออกพรรษาไปแล้วนะ่าเราจะได้มีโอกาสอย่างนี้หรือไม่นะ่หรือในปีหน้าปีต่อไปจะมีหรือไม่เราไม่รู้ เพราะนั้นเราต้องรีบเฉวยโอกาสนะช่วงที่อยู่ที่นี่เราทําเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะส่วนในเรื่องการงานเนี่ยเราก็ช่วยเหลือกันนะไปตามเหตุตามปัจจัยนะแต่ว่าอย่าไปมุ่งที่จะไปทําเรื่องอื่นนะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งการพูดการคุยการคลุกคลนะีในกลุ่มนะ เราควรใช้เวลาในการที่จะปรีกตัวเองนะมาเรียนรู้ชีวิตของเรานะด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วนะให้เวลากับเรื่องนี้ให้เต็มทีนะ่เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เสียดายนะเมื่อออกพรรษานะบางรูปบางคนอาจจะสึกขาละเภทไปนะหรือบางรูปบางคนก็ จ, จะไปที่อื่นไปนะแล้วก็มานึกเสียดายแหมเสียดายช่วงก็บรรษาเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำเรื่องนี้ นะแล้วก็ไม่รู้จะได้มีโอกาสหรือไมนะ่นี่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้แล้วนะก็ถือว่าเข้าบรรษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการที่เรามาพัฒนาชีวิตนะด้วยการเรียนรู้ลงไปตรงๆนะในท้ายที่สุดนี้นะก็ข อ, อนำเอาบทกลอนนะของท่งาน้ยคุณพุทธทาสนะพูดเรื่องเรียนชีวิตนะได้ไป อ่านมาแนะก็ฝากไว้นะท่านกล่าวไว้ว่าเรียนชีวิตอย่าแสวงจากแหล่งนอกอย่าเข้าไปในคอกแห่งศาสตร์ไหนอย่ามวัวคิดยุ่งยากให้ผากใจอย่าพิจารณาจารัยให้นุ่งหนังอย่ายึดมั่นนั่นนี่ที่เรียกกฎมันตรงๆงคดค ด, คดอย่างหมดหวัง จงมองตรงลงไปที่ชีวิตต่างดูแล้วอย่างลงไปในชีวิตให้รู้รสหมดทุกด้านที่ผ่านมาให้ซึมทราบปัญญาอย่างวิสิทธิ์ประจุประจกัก์ทุกทุกระดับกระชับชิดอัหาชีวิตจะเผย อ, ออกบอกตัวเองก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ ในท้าที่สุดนี้ขออ้างอิงเอาคุณของพภาษีรัตนไตรันะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือเศรษธรรมความจริงที่แสดงตัวปรากฏนะให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของเรานั่นเองนะแล้วได้ความเพียรพยายาม ค, ความศรัทธานะของพวกเรานะ จงเป็นพระวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านนาได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจได้บ่อยๆทุกเมื่อในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถิอนเจริญพร